แนะนำบทอัลมุนาฟิกูนบทอัลมุนาฟิกูนเป็นบทมาดะเนียะห์มี 11 องค์การแก่นหลักของบทนี้ก็คือการกล่าวโดยละเอียดถึงการกลับกลอกสลับของพวกมุนาฟิกูนจงกระทั่งบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลมุนาฟิกูนหมายถึงการเปิดโป่งการกระทำของบุคคลประเภทนี้ในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงบรรญาติของพวกมุนาฟิกูน ลักษณะอันน่าเกลียดชังของพวกเค้าและที่เด่นชัดคือการกล่าวเท็จและพฤติกรรมภายนอกผิดกับภายในเพราะพวกเค้าจะพูดออกมาไม่ตรงกับที่พวกเค้านึกคิดหรือมีความเชื่อถือนอกจากนั้นพวกเค้ายังขบคิดวางแผนร้ายต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมบทนี้ได้เปิดโป่งพวกเค้าถึงการทำบัฏซี และการก่ออาชญากรรมของพวกเขาด้วยการแสดงออกถึงการเป็นอิสลามในเวลาเดียวกันพวกเขาก็พยายามขัดขวางไม่ให้ผู้คนเข้าสู่อิสลามด้วยเหตุนี้ภัยและอันตรายจากพวกเขาจึงนับได้ว่ายิ่งใหญ่นอกจากนี้บทนี้ยังได้กล่าวถึงคําพูดอันน่าเกลียดของพวกเขาที่เกี่ยวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่า การเผยแผ่ของท่านรอซูลจะล่มเหลวและว่าพวกเขากลับมาจากสงครามบะนีมุสฏอลิกพวกเขาจะขับไล่ท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาให้ออกจากนครมะดีนะบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้สนใจกับความเพลิดเพลินการเล่นและสิ่งเย้ายวนของโลกนี้ จากการจงรักภักดีและการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ดังเช่นสภาพของพวกมูนาฟิกูนและว่าในการกระทําเช่นนั้นเป็นการขาดทุนโดยสิ้นเชิงและชาให้บริจาคในทางของอัลเลาะห์โดยหวังความโปรดปานจากพระองค์ก่อนที่โอกาสจะล่วงเลยไปในสงครามมุสตอลิดอับดุลลอฮ์อิบนุซาลูลหัวหน้าของพวกมูนาฟิกูน ได้กล่าวคําพูดอันชวดช้าอันเนื่องมาจากว่ามีชาย 2 คนจากชาวอันซอรและมุฮาญิรินได้แย่งชิงกันตักน้ําแล้วก็ได้วิวาทกันชาวมุฮาญิรินได้เตะชาวอันซอรเมื่ออิบนูซะลูลได้เห็นเขาก็ร้องตะโกนไล่ชาวมุฮาญิรินแล้วกล่าวว่าวัลลอฮ์สภาพของพวกเรากับพวกมุฮาญิริน เหมือนกับที่มีคําพังเพยกล่าวไว้ว่าเลี้ยงหมาให้อ้วนแล้วมันก็กัดเจ้าหรือตรงกับภาษิตไทยว่าทําคุณบูชาโทษวัลลอยหากพวกเรากลับไปยังนครมะดีนะห์แล้วเราจะให้ผู้มีเกียรติกว่าขับไล่ผู้ที่ต่ําต้อยกว่าออกจากนครมะดีนะห์ผู้ที่มีเกียรติกว่าหมายถึงตัวของเขาและผู้ที่ต่ําต้อยกว่า หมายถึงด้านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาสาวกของท่านแต่พวกกลับกลอกมุนาฟิกผู้นี้หาได้คิดว่าเกียรติยศนั้นเป็นของอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าชัยชนะความดีเด่นและความสูงส่งนั้นไม่ใช่เป็นของมุนาฟิกีนพวกมุชริกีนและพวกกุฟฟารดอกแต่พวกเขาหารู้ไม่ทั้งนี้ก็เพราะว่า พวกเขามีจิตใจบอดคั้นเมื่อผู้ที่ไปร่วมสงครามครั้งนี้เดินทางกลับถึงนครบานีนะห์อับดุลลอฮ์อิบนีอับดุลลอฮ์อิบนีซะลูดผู้เป็นบุตรของหัวหน้ามุนาฟิกได้ไปยืนอยู่ปากทางเข้าเมืองและได้ชูดาบของเขาขึ้นเมื่อบิดาของเขาเดินทางผ่านมาเขาได้พูดกับบิดาของเขาว่าวัลลอฮ์ท่านจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้จนกว่าท่านจะกล่าวว่า มุฮัมมัดเป็นผู้มีเกียรติยิ่งและฉันนั้นเป็นผู้ต่ำต้อยกว่าผู้เป็นบุตรยังไม่ปล่อยบิดาของเขาผ่านไปจนกระทั่งบิดาได้กล่าวคํานั้นอับดุลลอฮ์ผู้เป็นบุตรนั้นเป็นมุฮัมมิดผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงและเป็นคนดีเด่นของชาวอันซอรหลังจากนั้นอับดุลลอฮ์ผู้เป็นบุตรได้ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวกับท่านว่าโอ้ท่านรอซูล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 ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิดาจาอะลมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะละเราะซูลุลลอฮวัลลอฮุยะอฺลามุอินนะกะละเราะซูลุฮูวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนลันกาซิบูนเมื่อพวกกลับกลอกมุนาฟิกีนมหาเจ้าพวกเขากล่าวว่าเราขอปฏิญาณว่า แท้จริงท่านเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์อย่างแน่นอนแล้วอัลเลาะห์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมูนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จ เขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่เพื่อขัดขวางทางของอัลเลาะห์แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทําไปช่างชั่วช้าจริงๆ ذالِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ นั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาจึงไม่เข้าใจ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 แล้วเมื่อเจ้าได้เห็นพวกเขาแล้วร่างกายของพวกเขาจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าและหาพวกเขาพูดเจ้าก็จะฟังคําพูดของพวกเขาเสมือนว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้พวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาพวกเขาคือศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาขออัลเลาะห์ทรงให้ความอัปยศแก่พวกเขาทําไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปในทางอื่น وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوْا وُؤُرُوْسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขออภัยโทษให้แก่พวกเขาหรือไม่ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาก็ตามอัลเลาะห์จะไม่ทรงอภัยโทษ แท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน